กิจกรรมเป็นการวิ่งค่ะวิ่งรอบวัดวัดพระศรีรัตนะ ปราชารามนะคะวิ่งจำนวน84รอบวัตถุประสงค์คือเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะมีอายุครบ84พรรษาและเป็นการบูชาพระแก้วมารากต ด, ด้วยเจ้าค่ะตอนนี้อยากจะกราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดในการตรึกว่าในการที่เขาจะทำกิจกรรมตรงนี้เนะะี่ยค่ะทำยังไงถึงจะตรึกแล้วได้กุศลสูงสุดเจ้าค่ะเอ่อในการที่ กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งเทิดพระเกียรติแล้วก็วิ่งถวายผุพุทธบูชานะพระแก้วมรกตก็คือพระปิมาก่อนก็คือเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกพระพุทธ ร, รูปทั้งหลายโดยเฉพาะก็คือพระแก้วมรกตจะเป็นพระผู้บ้านคู้เมืองของประเทศไทยถ้ามองไปก็คือว่านั่นแหละคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนายช่างที่ปั้นรูปเนี่ยนะมาเนี่ยนะ จะเป็นเทวดาหรือในช่างใดๆก็แล้วแต่ที่ตามประวัติเป็นมาเนี่ยก็คือต้องการให้คนได้รู้ว่าพระบรมศาสดามีพระรูปอย่างนี้เป็นต้นจะได้เห็นความงดงามของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความงามในผ้าสีระคุณอย่างมากมายพระพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญบารมีมา20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรับ จเจริญกุศลกรรมบว10คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่โลภไม่โกรธแล้วก็จเจริญปัญญาพระพุทธเจ้านี้ตอนสร้างบา ร, รมีมาจเจริญกุศลกรรมบว10มีการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนมีการขวนขวายในการประพฤติประโยชน์เป็นต้นนั่นฉะนั้นกุศลทั้งหลายนั้นพระศ า, าสดาตอนบําเพ็ญบา ร, รมีมาเนี่ยทำอย่างยาวไกล ถามว่าพระพุทธเจ้านี้ผมเป็นบา ร, รมีมาเพื่อตกแต่งสลีละทำไมเพื่อให้สรีละความงดงามปรากฏเกิดขึ้นในวรากายของพระพุทธเจ้านั้นเพื่อให้ความงามในพระวรากายของ พ, พุทธเจ้านั้นเป็นที่ตั้งของศรัทธาแก่ผู้ได้พบเห็นสัตว์โลกทั้งหลายมีหลากหลายอัจฉิยบางท่านก็มีความชอบในสีในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ต่างกันออกไป พระนพระเจ้านั้นจึงแต่งสรีระมาด้วยกุศลกรรมที่ประณีตและที่สูงส่งกุศลกรรมที่พระองค์แต่งมานั้นทําให้มีพระโลมาแต่ละเส้นแบบนี้ให้มีพระชิวหาเป็นอย่างนี้มีพระนาสิกเป็นอย่างนี้มีพระเนตรเป็นอย่างนี้มีพระกันใช่ไหมมีพระเมารีทั้งหลายอย่างนี้เลยมีพระขนงมีลําพระโสมีพระพาหามีพระชงเป็นต้น ฉะนั้นสรีระของพระบรมศาสดาซึ่งมีความงดงามอย่างมากแก่ผู้ที่ได้พบเห็นนั้นมาจากกุศลกรรมที่ปราณีตี่ตกแต่งมาแล้วทั้งยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรับนั้นทางด้านของสรีระคุณเมื่อเห็นความงดงามในพระสรีระของพระศาสดาแล้วอันนี้คือผลให้สาวไปหาเหตุว่าพระบรมศาสดาสร้างบารมีอะไรมาจึงได้พระรูปอย่างนี้เป็นต้น ไม่ใช่มองแล้วเพื่ไปติดแล้วเกิดโลโภะหรือเกิดราคะทางใจแต่มองแล้วให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสตั้งมั่นว่าพระผู้มีพระเจ้ามีความงดงามอย่างนี้เพื่อเป็นปัจจัยแกสัตว์ทั้งหลายได้เห็นแล้วเกิดศรัทธาในพระสีริลักษณ์เพื่อจะน้อมในการไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันนี้ให้เข้าใจมุมนี้ก่อนทีนี้บังเอิญก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่มีประชากรนับถือมากด้วยเป็นศาสนาดั้งเดิมของประเทศไทยเรามาแล้วก็องค์พระราชาหมากษัตริย์ก็เป็นพุทธมามากะใช่ไหมเป็นหลักมาทุกยุคทุกสมัยก็หมายความบอกว่าค้ามจุนเป็นอุบาสกใช่ไหมเป็นผู้ที่ค้าจุนพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเป็นผู้นํา เป็นผู้นำนั่นเองพอมาถึงวาระนี้อย่างที่เมื่ชีกล่าวก็คือว่ามีการจะวิ่งเทิดเพ่เกียรติและก็ถวายเป็นพุทธบูชาก็สองในยะด้วยกันก็คือว่าเอาเอาอายุของผู้นำของประเทศของพระยอดเวนดินใช่ไหมเอาเป็นตัวเอาเป็นองค์ประกอบในการวิ่งให้ครบ84รอบใช่ไหมเท่าที่ฟังแต่เป้าหมายบูชาคุณของพระพุทธเจ้า เป้าหมายก็คือว่าเอาพระชนมาายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ครบในปัจจุบันนี้เนี่ยแปวิ่งให้ครบ84รอบอันนี้คือหลักการแต่แค่หลักการอย่างเดียวยังไม่พอการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่จะไปวิ่งสําคัญมากกว่าการรณรงค์กันมานาะนหลายต่อหลายครั้งแล้วเนี่ยเป้าหมายเพื่อเพื่ออะไรถ้าตรงนี้ก็คือเพื่อการบูชา ถ้าวิ่งเพื่อการบูชาเนี่ยอะไรคือการบูชาที่ถูกต้องไม่ใช่วิ่งด้วยโลภะคือความอยากจะวิ่งที่เป็นไปกับอกุศลไม่ใช่ไปวิ่งเพราะโทสะหรือเพราะความกลัวเพราะถูกเกณฑ์ไม่ใช่วิ่งเพราะโมหะวิ่งด้วยความไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแต่ให้ไปด้วยศรัทธาที่เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยแต่จะเอาพระชนมายุ ข, ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละเป็นเป็น เป็นหลักเป็นหลักใจของชาวไทยทั้งประเทศใช่ไหมโดยหลักการก็ทำอย่างนั้นแต่รอบจริงต้องมีความหมายอย่างมากแปลว่ามีความหมายก็แปลว่าเราจักเดินแต่ละก้าวเนี่ยให้เป็นไปด้วยอำนาจของกุศลที่มีความศรัทธาในพระธรรมตรายอย่างเหนียวแน่นได้ไหมในการวิ่งวิ่งด้วยการนอบน้อมถ้ายิ่งมีการประนมมือแล้ววิ่งยิ่งดีใหญ่ใช่ไห เออเป็นการวิ่งที่แปลกเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นการวิ่งที่บูชาพระแก้วมรกตหรือพระพุทธเจ้าในนั้นมีพระบรมธาตุชื่อพระศรีรัตนเจดีย์ใช่ไหก็คือที่บรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาหรือพระพุทธเจ้านั่นเองสรุปก็คือว่าการวิ่งนั้นบูชาพระรัตนตรัย ก็คือบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เอาพระชนมาายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระเจ้าเป็นดิน เ, นเป็นหลักเป็นเครื่องกําหนดว่าจะวิ่งกี่รอบฉั้นแต่ละรอบนี่นะกว่าจะจบแต่ละรอบนั้นนะ่ะให้ใจที่เป็นไปกับขุศลที่เป็นไปกับการนอบน้อมเป็นไปเพื่อในจิตที่คิดจะบูชาไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจของตันหาราคะเลยแต่เป็นไปด้วยการที่บอกว่าต้องการนอบน้อมต้องการบูชาอย่างสูง ฉะนั้นทุกอย่างก้าวจะมีความหมายเพราะเป็นไปด้วยจิตที่คิดจะบูชาถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ดีไม่ดีเพราะเป็นกุศลกรรมกุศลกรรมเนะี่ยถามว่ากุศลกรรมในที่นั้นก็คือว่ามีจิตที่คิดจะบูชาพระพุทธเจ้านั้นเป็นหลักบูชาพระรัตนตรัยนะัเป็นหลักแต่เอาพระชนมายุ ข, ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนะมาเป็นองค์กาหนดแห่งการเ ด, เดินหรือวิ่งไงครบแรอบ ถ้าในกรณีวางจิตได้อย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีดีก็คือว่าก่อนวิ่งเน่ผู้จะวิ่งทั้งหลายสมาทานสีเยอะเอนอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนสมาทานสีห้าไม่มีการพันนันไม่มีเหล้ายาไม่มีสิ่งเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องเลยทุกคนไปด้วยใจนอบน้อมบูชาคุณของพระรัตนตรัยจริงๆและก็ไปเรียงแถวกัน แล้วพอรับสินไปเสร็จก็ออกวิ่งแล้วก็กำหนดลองคิดดูด้วจิตที่วิ่งด้วยการนอบน้อมด้วยการบูชานะั้นะสมมติถ้าลมให้ใจขาดในขณะวิ่งมีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้าใช่ไหมหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วก็จะจำได้มากที่สุดเพราะตนเองได้ใช้กายใช่ไหมใช้วาจาใช้จิตใจใช้กระแสะชีวิตของตอนเองนะั้นในการไป วิ่งกว่าจะครอบแปดสิบฉะนั้นถึงกิจกรรมในลักษณะดนี้กิจกรรมน่ะดีนะแต่ถ้าคนไม่เข้าใจจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ขอให้คนที่ไปเนี่ยนะได้มีข้อมูลในการที่จะคิดจะนอบน้อมทีนี้กิจคิดจะนอบน้อมบูชาด้วยการนอบน้อมเป็นอัปัญนะเป็นอัปัญนะใช่ไหมเรามอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยนะั่นแหละเราจรึงเอากายไปวิ่งในการถวายเป็นพุทธบูชา คาราวาสก็ทำได้ยกเว้นพลายู่ไห <laughs> ถ้าพราก็เดินได้ทียมบอก